อุปสรรคคือหมายถึงสิ่งที่มันขวางกัน้นความสำเร็จคนทั่วไปเนี่ยที่เคยเจอมาเนี่ยเวลาเจออุปสรรคมักจะท้อแท้หมดกำลังใจงอมืองอเท้าไม่ยอมทำอะไรต่อไปแล้วก็อ้างว่านี่คืออุปสรรคคืออุปสรรคจริงมันปิดความหมายอุปสรรคก็มหมายถึงสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ฝ่าฟันไปให้ได้การงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรท้อแท้หมดกาลังใจเนี่ย มันไม่ได้เป็นการช่วยทําให้อุปสรรคนั้นแก้ไขได้เลยได้คำสองคำเนี่ยปัญหา อ, อุปสรรคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เกิดปัญญาถ้าเรารู้จักมองปัญหาคือสิ่งที่จะต้องแก้ไขและต้องรู้จักยอมรับมันเมื่อพบอุปสรรคเราก็ต้องรู้จกที่จะฝ่าฟันให้ข้ามป้นไปได้การมองอุปสรรคในแง่ของ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 แทนที่จะไปลังเกียดความคิดแต่เรากลับมามองว่าเออถ้ามันคิดเมื่อไหร่เราก็จะมีสติรู้ให้ได้รู้ให้ทันตุกกตั๊งที่มันคิดจะมีสติรู้ให้ทันเรามองเป็นเชิงที่ท้าทายแบบเนี้เราจะมีความกล้าหาญที่จะแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้ น, นเนี่ยๆมุมมองนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากมองอุปสรรคในแงอดีซ่มันเป็นการท้าทาย ทาให้เราที่จะมีกําลังใจที่จะเอาชนะอุปสรรคให้ได้ปัญหาต้องยอมรับแล้วก็แก้ไขอุปสรรคคือสิ่งที่ต้องฝ่าฟันนักธุรกิจชั้นแนวหน้าที่ก็ประสบผลสําเร็จนั้นเพราะว่าเขามีปัญหาเยอะอุปสรรคเยอะแต่เขาไม่เคยท้อแท้กับสิ่งเรียดอ่าท้าทายอุปสรรคนะแล้วก็ฝึกสมองที่จะแก้ปัญหาให้ได้ ผู้นี้จึงมีความรู้มากมายหลังจากที่ผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาไปได้ทั้งผู้ที่ครองประเทศระดับประเทศผู้นี้เขาก็เจอปัญหาชีวิตมาเยอะเจออุปสรรคมาเยอะแต่เขาไม่เคยท้อแท้เขาพยายามที่จะฝ่าฟันเขาจึงมีความรู้ความสามารถในการที่จะเอาชนะอุปสรรคและก็ปัญหาเหล่านั้นจนเป็นผู้นําประเทศ ท่านแนวหน้าก็มีมากมายพฉะนั้นพวกเราทุกคนเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคอย่าท้อแท้อย่างอมืองอเท้าอย่าหมด ก, กำลังใจลองใช้สมองของเราฝึกที่จะใช้สมองของเราที่จะแก้ปัญหาใช้ความสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคให้ได้เราจะได้รับความรู้ได้สติปัญญาแล้วก็ประสบประสบในชีวิตในที่สุด